สิก้าส wow. ah ัญโยชนะโคจกะเป็นต้นยี่สอสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยีสิบสสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นคันธะ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 ยี่สิบหกสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นปรามาตยอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นปรามาตย์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจยย่อเหตุตุปัจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหนึ่งเหตุทุกกะห้าสิบสี่มหันตระทุกกะยี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้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 อารมณปัจจ um ั it, ยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยี่สิบปดสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นจิตเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นจิต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 ซึ่งมิใช่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเ eh หตุซึ Sir, ่งไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสามสิทสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่สัมปยุด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งสัมปยุด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ อธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่วิปยุจากจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งวิปยุจากจิตเกิดเพินเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสาสิบเอด สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ระคนกับจิตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งรัคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่รัคนกับจิตอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งรัคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระส2สองสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ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 ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสาสิหสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งรัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยย่อเหตุตุปปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุ ซึงไม่ใช่ไม่ใช่รัคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปจัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสาสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานแล้วเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุ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 หนึ่งเหตุทุกขะแปดสิบสองทัศเนนะปะหาตพาทุกกะเป็นต้นสามสิบปดสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปิมะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยโสดาปิมกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสามสิบเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม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 สีสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยโสดาปติมัคอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปติมัคเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยเหตุุปัจจัยมีสามวาระอาริมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงสหชาตปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงสหาชาตะ ป, ปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ใช่ไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งมีเหตุไม่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสาเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อหนึ่งเหตุทุกกะเก้าสิบเก้าจารณะทุกกะสี่สิบสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้สัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัดร้องไห้ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นเหตุให้สัตดร้องไห้เกิดขึ้นเพ j j ราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ like <fur 18> like ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยย่อเหตุถูปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ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 อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดโร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุตุปปัใจมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสองเสหตุกะทุกระหนึ่งเหตุทุกระสี่สิบสามสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งเป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอรมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงอัญญามัญญะปัจจัยมีสี่วาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีหกวาระ สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณะปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงสหชาติปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระละถึงภูเรชาติปัจจัยมีสามวาระ อาศัยวุณปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระสาเหตุสัมปยุตตะทุกกะหนึ่งเหตุทุกกะสี่สิบสี่สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุติเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุติเหตุซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่วิปยุจากเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจากเหตุซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อเหตุปัจจัยมีหกวาระอรมณะปัจจัยมีสามวาระและถึงอัญญมัญญะปัจจัยมีสี่วาระละถึงวิปากปัจจัยมีสมวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหกวาระ สภาวะธรรมที่ไม่วิปยุจจากเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณะปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงสหชาติปัจจัยมีห้าวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีห้าวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระ อาัศวณะปัจใจมีสามวาระละถึงวิปากะปัจใยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีห้าวาระสี่เหตุเสเหตุกะทุกะหนึ่งเหตุทุกระสี่สิบห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและที่มีเหตุซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจัยย่อ เหตุปัจจ so, ouais, ัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่มีเหตุและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุและที่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระหเหตุเหตุสัมยุญตระทุกระ หเหตุทุกขะศสิบ6สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่วิปวิจากเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมยุญที่เหตุซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจัยเหตุปัจใจมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจใจมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่วิปวิจากเหตุและไม่ใช่ไม่เป็นเหตุซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุ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 อวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระสังคตาทุกกะเหมือนกับสัพปัเจยทุกกะสี่สิบแปสภาวธรรมที่มิใช่เห็นไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระปรมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระ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 เห hey, ตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระห้าสิบ สภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุหาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงปุเรชาติปัจจัยมีหนึ่งวาระอาศิวะนปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระห้าสิบเอ็ด สภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีสี่วาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสี่วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตระซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกียะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกียะซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโลกุตระซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระเหตุตุปัจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจัยมีสองวาระห้าสิบสอง สภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจใจมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้และที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ cool อเหตุป th ัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระสิบสี่อาสวะทุกกะหนึ่งเหตุทุกกะห้าสิบสามสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาสวะและที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ ทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงพวิคตะปัจจัยมีห้าวาระสิบห้าสาสวะทุกกะหนึ่งเหตุทุกกะห้าสิบสี่ สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึง อวิคตาปัจใจมีสี่วาระเหมือนกับโลกิยะทุกกะสิบหกอาสวะสัมปยุตตทุกกะหนึ่งเหตุทุกกะห้าสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่วิพิจากอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมที <busy> ่วิปิยุจักอาสวะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะและที่วิปิยุจักอาสวะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีกล่าวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตาปัจจัยมีกลาวาระสภาวธรรมที่มิสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มิสัมปยุทธ์ด้วยอาสวะซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระโย่อ เหตุ u, ปัจจัยมีสี่วาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสี่วาระสิบเจ็ดอาจวะสาจวะทุกกะหนึ่งเหตุทุกะ 1, u, ทกะห้าสิบหกสภาวธรรมที่ไม่เป็นอาจวะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอาจวะและเป็นอารมณ์ของอาจวะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้เนเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคัตะปัจจัยมีห้าวาระ 18. บอาสะวะอาสะวะสัมปยุตตะทุกะหนึ่งเหตุทุกะห้าสิบเจสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาสะวะและไม่วิปิวจากอาสะวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอาสะวะและสัมปยุติอาสะวะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที <necessary>. <S S ่ไม uh, ่เป็นอาสวะและไม่วิปยุจักอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุด้วยอาสวะและไม่เป็นอาสวะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสี่วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสี่วาระสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจักอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอาสวะ และสัมบัญญัติอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจจากอาสวะและไม่ใช่ไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมบัญญัติอาสวะและไม่เป็นอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีสี่วาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสี่วาระสเก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 แต่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่วิปิยุจากอาสวะและไม่ใช่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่วิปิยุจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระยี่สิบ สัญโยชนะโคจกะเป็นต้นหนึ่งเหตุตุทุกะห้าสิเกสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใัยอ่อเหตุปัจใจมีสี่วาระละถึงวิปากะปั จ, จัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสี่วาระหสิ 60. สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นคันธะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีกล่าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีกลาวาระหกสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่ไม่เป็นโอคะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นโอคะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อหกสิบสอง สภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคะซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นโยคะซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระหกสิบสาสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีสี่วาระละถึง mm วิปากะปัจจ e ัยมีหนึ Roma, ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสี่วาระหกสิบสี่สภาวะธรรมที่มิใช่ไม่เป็นปรามาซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นปรามาซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีสามวาระห้าสิบห้ามหันตระทุ ก, กะหนึ่งเหตุทุ ก, กะหกสิบห้าสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้ซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารามณะณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตะปัจจัยมีสามวาระ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 และที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตปัจจัยมีสามวาระหกสิบสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นจิตซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศ wow. ัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งเป็นเหตุหสสสสสเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุถกปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหกสิบเจ็ด สภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นเจตสิกซึ่งม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิกซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย um> um> ่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหก ส, ส, สิบปดสภาวธรรมที่มีสัมปยุด้วยจิตซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธยจิตซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเ พ, พราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระหก ส, ส, สิบเ้สสาสภาวธรรมที่ไม่ใช่รักพนกับจิตซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวธรรมทีม่รัควรกับจิตซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระเจตสิสสภาวธรรมทีม่ไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมทีม่มี จ, จิตเป็นสมุทฐานซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระเจ็สิบอสภาวะธรรมที่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระเจสิบสองสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นไปตามจิตซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นไปตามจิตซึ่งเป็นเหตุ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 สภาวธรรมที่ไม่ใช่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุธานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุธานและเกิดพร้อมกับจิตซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระ75สภาวธรรมที่ไม่ใช่รักคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฐานและเป็นไปตามจิต ซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เราควรฝึกจิตมีจิตเป็นสมุธฐานและเป็นไปตามจิตซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยย่อเหตุตุปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระเจ็สิหสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระเจ็สิบเจสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอุปาทยรูปซึ่งไม่เป็นเหตุ อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทยรูปซึ่งวมชใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทยรูปซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ Brain, come, come, halfway, อารมณะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอายจยวนปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ7 8สภาวธรรมที่ไม่เชียกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งไม่เป็นเหตุอาศจยสภาวธรรมเที่ยกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งเป็นเหตุ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เจกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งเป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจใจมีสี่วาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอธิปฏิปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง อาศัยวุณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสี่วาระสภาวะธรรมที่มิใช่ ก, กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งมิใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยมีหนึ่งวาระ สภาวะธรรมที่ไม่ใช่กมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือซึ่งไม่ใช่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือซึ่งไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระอรมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอาเจวณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง วิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระ